เรื่องอภิชาวิสมะโลภะสนิมในใจหมายเลขหนึ่งอุปกิเลสลำดับหนึ่งที่เขียนไว้นี้ชื่อมันยาวหน่อยดูเหมือนจะเป็นกิเลสที่ชื่อยาวที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะพอนึกได้ในขณะนี้เรื่องของภาษาบาลีนั้นเสียอยู่อย่างหนึ่งคือสับใดต่อสมาดไว้ยาวๆเวลาแปลแล้ว แปลไปได้หลายทางทาให้เกิดการตีความหมายไปได้หลายแง่แม้จะไม่ถึงกับเสียรูปความส่วนใหญ่แต่ก็ทาให้ยุ่งยากทางการศึกษาอยู่บ้างอย่างเช่นสับว่าอภิชาวิสมะโลภะนี่แหละกระเจ้าได้พบคำแปลและคาอธิบายหลายในด้วยกันจะลองเอามาเทียบกันให้ดูแต่ขอให้เพื่อการศึกษาเท่านั้น อย่าทาใจให้ยุ่งไปกับตัวหนังสือปล่อยให้ข้าพเจ้ายุ่งไปคนเดียวก็แล้วกันคำว่าอภิชาวิสมะโลภะที่ท่านผู้รู้อธิบายไว้ดังนี้ 1. อัตถกถาวัตถุปะมะสสูตรมัจิมานิกายมูลปัญ น, นาตตีความว่าสับว่าอภิชาวิสมะโลภะนี้แยกเป็นสองสับ คืออภิชาหนึ่งวิสมะโลภะหนึ่งอภิชาได้แกควว่ความยินดีในของของตนเองส่วนวิสมะโลภะความยินดีในของของคนอื่น 2. องอัธกถาจตุ ก, กนิบาตแย้งมติดังกล่าวนั้นว่าอภิชาวิสมะโลภันติอภิชาสร้างขตังวิสมะโลภังแปลว่า วิสมัโลภะก็ได้แก่อภิชานั่นเองหมายความว่าคำว่าอภิชากับคำว่าวิสมัโลภะมีค่าเท่ากันเป็นเพียงคำไขความของกันเท่านั้น 3. ในหนังสือนวโกวาทซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสทรงว่าไว้อภิชาวิสมัโลภะ ละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเลงประมาตินี้พ้องกับอธิกถาจตุกนิบาตในข้อสองในพระโอวาทกรมมาหลวงวชิรยานวงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันทรงอธิบายว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือเพ่งจำเพาะหรือด้วยเพ่งจำเพาะ และทรงอธิบายกำกับไว้ว่าโลภะเป็นเพียงแต่ความอยากได้อภิชามุ่งแต่จะเอาให้ได้ไม่เลือกทางดีชั่วผิดถูกเอาแต่ได้เป็นประมาณเรียกเต็มที่ว่าอภิชาวิสมะโลภะเรียกชื่อย่อว่าอภิชาคนที่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ก็ด้วยอภิชาเพียงแต่โลภ ยังไม่ถึงทำให้ถือเอาของเขาเพราะเป็นเพียงความอยากได้โลภจึงอ่อนกว่าอภิชาตามพระโอวาทนี้ทรองความว่าพระองค์ทรงรับรองทุกๆมติในข้อหนึ่งสองสไม่ได้สงคานแต่ลงท้ายก็ทรงเน้นมติของพระองค์ว่าคำว่าอภิชาวิสมะโลภะนั้นเป็นคำเดิมที่แท้ ก็คืออภิชานั่นเองและส่งเรียกน้ำหนักกิเลสไว้ว่าโลภะเป็นกิเลสที่มีกำลังอ่อนกว่าอภิชาประมะติของสมเด็จ พ, พระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันที่ยกมานี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสอดคล้องกับหลักธรรมะหมวดอื่นๆดีกว่าทุกมติข้าพเจ้าขอวิจารณ์อีกหน่อยขอเวลาอีกนิดเดียว แต่ท่านที่ไม่ชอบยุ่งจะเปิดข้ามไปเสียก็ได้ไปอ่านตอนถัดไปเลยทีเดียวก็ไม่เสียความโปรดสังเกตลำดับกิเลสที่เราได้ศึกษากันมาที่จัดลำดับตามหยาบตามละเอียดแล้วเช่นชั้นอกุศลกรรมบทชั้นอกุศลโมลและชั้นอนุัยชั้นอนุัยเป็นกิเลสที่ละเอียดจมอยู่ในจิต ไม่ฟุ้งออกมาข้างนอกชั้นอกุศลลมูลคือกิเลส ท, ที่เป็นอนุสัยนั่นเองแต่ฟักตัวขึ้นมาจนบังคับจิตให้ทำกรรมแล้วชั้นอกุศลกรร ม, มบทคือกิเลสชั้นอกุศลลมูลนั่นเองแต่ถึงชั้นเป็นกรรมแล้วคือมโนกรรมชื่อของกิเลสสายเดียวกันแต่ต่างชั้นท่านก็ใช้สับต่างกันไว้เป็นส่วนมา โปรพิจารณาตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้แบ่งเป็น 3. แถวแถวบนชั้นอากุศลกรรมบทมีอะพิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิแถวที่สองชั้นอากุศลมูลโลภโทสะโมหะชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดชั้นอนุสัย การมราคะปฏิฆะอวิชชาขอให้ท่านสังเกตดูว่ากิเลสในสายเดียวกันแต่เมื่อกำเริบขึ้นไปถึงอีกระยะหนึ่งแล้วท่านเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งดูสายโลภสิท่านเมื่อยังเป็นเพียงอนุสัยท่านเรียกว่ากามราคะคือความยินดีในสิ่งที่น่ารักใคร แต่พอกำเริบขึ้นไปถึงชั้นอากุศลมูลคือชั้นที่จะดนใจให้คนทําชั่วท่านเรียกว่าโลภะคือความอยากได้ในทางทุจริตรันโลภะดนใจเต็มที่แล้วถึงขั้นตัดสินใจทําความชั่วแล้วท่านเรียกว่าอภิชาคือความเพ่งเลงในช่องขวามืออีกสองช่องก็สังเกตดูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น การที่มีบางมติตีความว่าอภิชากับโลภะมีค่าเท่ากันมีความหมายเท่ากันข้าพเจ้าจึงจนใจที่ไม่สามารถจะลงความเห็นด้วยจริงอยู่ธาตุเดิมมันอันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเรื่องไปจนหมดแล้วจะให้เหมือนกันได้อย่างไรเหมือนแร่เหล็กท่อนเหล็กกับมีดมันก็ธาตุเหล็กด้วยกัน จริงข้าพเจ้าไม่ขานแต่ใครจะบอกว่ามีดซุยกับแร่เหล็กมีค่าเท่ากันข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยหรือท่านผู้อ่านจะว่าอย่างไรถึงเราจะเอาก้อนแร่ใส่พกผ้าเดินเข้าไปในชุมชนก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเราเอามีดซุยเน็บพุงเข้าไปดูบ้างตำรวจก็ชักเห่าเรื่องเราจะไปตีความเอาว่า มีดกับแร่เหล็กเหมือนกันมันฝั่งไม่ขึ้นและมะติอย่างที่แปลอภิชาวิสมาโลภะว่าความลุ่มลุ่มดอนดอนคืออภิชามตินี้คือตีราคาสรรับอภิชาว่ามีค่าเท่ากันกับโลภะใช้แทนกันได้ตรงตัวที่เอามาเรียงต่อกันไว้ก็เพื่อขยายความของกันเท่านั้นมตินี้ ข้าพเจ้าก็จนใจที่ไม่อาจเห็นด้วยได้นึกเอาง่ายๆก็ได้ว่าอุปกิเลสทั้งหมดที่พระตรัสไว้มี16ข้อในจำนวนนี้อุปกิเลสส5บข้อทรงใช้สับโดดๆทั้งนั้นไม่เห็นมีคำไขความกำกับไว้จำเพาะจะมามีคำไขข้อโลภะเท่านั้นหรือจะอ้างว่าคำว่าโลภะ เป็นคำแปลกเป็นคำลึกซึง้งคนไม่ค่อยเคยเห็นจึงต้องเอาคำว่าอภิชามาไขาความไว้คิดอย่างนี้ยิ่งไม่ถูกเรื่องเพราะคำว่าโลภะเป็นคำที่ดืนดาษอยู่แล้วตีเสีย ว, ว่าใครๆก็รู้พวกหางแถวโน้นสีอีกยิ่งแปลกหน้าอย่างเช่นมักขะปราาสะเหล่านี้ ร้อยวันก็ไม่มีใครค่อยพูดถึงแต่ก็ไม่เห็นมีคำอะไรมาแถมท้ายไว้ให้ไขความท่านผู้อ่านคงคันปากอยากจะถามข้าพเจ้าว่าแล้วคุณล่ะชอบมติไหนจึงขอตอบว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่ามติของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันสอดคล้องกับหลักฐานทางการศึกษาและเหมาะกับเหตุผลทางปฏิบัติที่สุด ต่อไปนี้โปรดเลิกความยุ่งออกจากสมองของท่านเสียอย่ายุ่งไปกับตัวหนังสือประเดี๋ยวจะหลงแผ่นกระดาษแล้วหาทางปฏิบัติไม่เจอข้าพเจ้าจะประมวลมติต่างๆเอามาอธิบายเข้าหาทางปฏิบัติทีเดียวอภิชาวิสมะโลภะหมายความอย่างไรแน่กิเลสตัวนี้มันยาว อยากจะเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ต้องตัดออกเป็นท่อนวิเครา์ดูทีละท่อนเข้าใจแล้วค่อยเอาต่อกันคืนทีหลังจะให้ง่ายต้องตัดเป็นสองท่อนอภิชาวิสมะโลภะหยิบท่อนปลายมาว่ากันเสียก่อนคือบทว่าวิสมะโลภะเมื่อก่อน เราเคยได้ยินแต่โลภะเฉยๆวิสมาโลภะไม่ค่อยได้ยินตอนโลภสองชั้นความจริงโลภะยังมีสองชั้นนี่สังเกตดูตามบาลีทั่วๆไปคือโลภะเฉยๆชั้นหนึ่งและวิสมาโลภะอีกชั้นหนึ่งชั้นวิสมาโลภานี้บาลีบางแห่งใช้คาว่า อติโลภะวิเคราะห์บาลีว่าอติโลโพหิปาปโกวความว่าความโลภจัดว่าเลวแท้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าวิสมะโลภะกับอติโลภะคงจะหมายความว่าเป็นโลภประเภทเดียวกันตกลงว่าโลภะมีสองชั้นคือโลภะกับวิสมโลภะ โลภะหมายถึงความอยากได้โดยทางทุจริตคือความว่าอยากได้โดยวิธีหาที่ผิดๆก็แล้วกันข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ที่อื่นมาแล้วเช่นในพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตรวรรษเอาโลภะออกมาสับไว้อย่างหาชิ้นดีไม่ได้เลยสำหรับในที่นี้เพียงแต่ยกมายงความเข้าใจเท่านั้น ไม่ต้องว่าอะไรมากเพียงแต่ขอแยกให้ทราบว่าโลภะเฉยๆแม้จะเป็นความอยากในทางทุจริตแต่ก็ยังรู้จักเลือกคือเลือกคนเลือกของหรือเลือกวิธีที่ว่าเลือกคนคือเลือกเบียดเบียนเฉพาะบางคนเว้นบางคนเช่นรักก็รักแต่ของชาวบ้านของ พระของสงฆ์ไม่ลักปล้นก็ปล้นปล้นก็ปล้นแต่คนบ้านอื่นคนตาบลเดียวกันเว้นอย่างนี้เลือกคนเลือกของคือทุจริตในของบางชนิดเว้นบางชนิดจะขโมยทองก็ขโมยแต่ทองแท่งทองรูปประพันธ์ทองหุ้มพระไม่เอาเลือกวิธีคือ หากินในทางทุจริตแต่ยังเลือกทาเฉพาะบางวิธีเช่นเอาแต่ย่องเบาถ้าเจ้าของเห็นก็ไม่สู้หรือเอาแต่ลักถ้าถึงกับปล้นไม่เล่นด้วยหรือแม้จะปล้นแต่ก็ไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างนี้เรียกว่าเลือกวิธีนี่แหละชั้นโลภะเฉยๆคนมีความโลภชั้นนี้แม้จะถือว่าเป็นคนผิด แต่ก็ยังมีดีอยู่บ้างคือยังรู้จักเลือกคนเลือกของเลือกวิธีไม่ถึงกับเลวสามแท้ทีนี้วิสมัโลภก็ความโลภนั่นเองแต่มันรุนแรงกว่าโลภเฉยๆดีกรีมันสูงกว่าวิสมะแปลว่าลุ่มรุ่มดอนดอหยาบครุขระไม่สม่ำเสมอไม่ราบเรียบเช่นคําว่า วิสมะจักขูแปลว่าตาเลวิสมะมักคาทางคลุกคละเป็นหลุมเป็นบ่อพอเอาคำว่าวิสมะมาต่อเข้ากับโลภะก็แสดงว่าโลภะชนิดนี้ร้ายแรงกว่าโลภะธรรมดามันเผาใจให้รุ่มร้อนมากกว่าความโลภเฉยๆพฤติการที่แสดงออกมาภายนอกคือนอกจากจะทำทุจริตแล้ว ยังไม่เลือกทางเสียด้วยตีชิงปล้นข่าเอาทั้งนั้นไม่เลือกคนของใครของใครพ่อขโมยได้ทั้งนั้นอย่าเผลอก็แล้วกันแม้แต่ของคนมีบุญคุณท่วมหัวก็ไม่ยกเวน้นไม่เลือกของให้ได้เป็นพอใจมันหยาบเฉอจนมองไม่เห็นอะไรควรอะไรไม่ควรหลอกทองพระก็เอาปะเมาอ เลื่อยคอพระพุทธรูปเอาเสียมพระไปขายให้ฝรั่งก็ทำได้อย่างที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันมานี้คือกรกฎาคม2500แล้ววิธีที่จะหาเอาก็ไม่เลือกถ้าเจ้าของเผลอก็ลักเอาถ้าคอยให้เผลอไม่เผลอสักทีก็แย่งเอาซึ่งซึ่งหน้าแย่งไม่สำเร็จยกพวกปลน้นเอา ถึงกับค่าเจ้าของก็เอาขอให้ตัวได้ทรัพ์มาเป็นแล้วกันพวกไม่เลือกทางนี้แหละเรียกว่าคนมีวิสมะโลภะโลภลุ่มลุ่ม ด, นดอนดรพวกวิสมะโลภะนี้ไว้ใจไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยจะเอาความมีบุญคุณกับเขาหรือจะเอาความเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันเป็นเครื่องประกันไม่ได้ทั้งนั้น ก็แกเดินไม่เลือกทางแล้วนี่ทางลุ่มแกก็เดินทางดอนแกก็เดินก็หมดกันไม่มีทางใดเหลือที่จะให้ความปลอดภัยแกคนอื่นเลยท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจแล้วว่าความโลภสองชนิดคือโลภเฉยๆกับวิสมัตโลภต่างกันอย่างไรคราวนี้หันไปว่าอภิชาอภิชาแปลว่าความเพ่งเล็ง เป็นชื่อของกิเลสอย่างหนึ่งในสายเดียวกับโลภะนี่เองหมายความว่าเพ่งซับของคนอื่นจะเอามาเป็นของตนไม่ใช่แต่เพียงนึกอยากได้เฉยๆจะถึงกับเจาะจงลงไปทีเดียวถ้าเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวความอยากได้เฉยๆก็คล้ายๆกับอยากได้คู่รักสักคนแต่ยังไม่ปักใจลงไปแน่นอนว่ารักใครอย่างที่เรียกว่า หัวใจอย่างว่างนั่นอยากเฉยๆแต่อยากขั้นอภิชามันถึงขั้นเจาะตัวลงไปทีเดียวว่ารักคนนั้นหัวใจไม่ว่างอย่างแต่ก่อนแล้วนี่เทียบให้เห็นว่าอภิชาที่ว่าเพ่งเลง็งเพ่งเลง็งคือเพ่งอย่างไรทีนี้ถอยออกมาพูดเรื่องความอยากกันอีกหน่อย ความอยากตามธรรมดาที่เราอยากนั่นอยากนี่อยู่ทุกวันนี้ดูเหตุที่ทำให้มันเกิดอยากแล้วมีสองเหตุคือ 1. ประรบความต้องการของตนและ 2. ประรบความมั่งมีของคนอื่นที่ว่าความอยากประรบความต้องการของตนเองคือตัวเราเองเกิดความต้องการขึ้นแล้วจึงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนั้น มาบันเทาความต้องการยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะกินน้ําเย็นๆเพราะร่างกายของเราต้องการน้ําและถ้าได้น้าเย็นเจี๊ยบดื่มเข้าไปแล้วมันสดชื่นสบายดีเราเลยต้องการน้าเย็นๆความต้องการน้าเย็นๆนี่แหละทำให้เราอยากได้ตู้เย็นต้องการจะไปไหนมาไหนเร็วๆจะได้ทันเวลาทำงาน จึงเกิดความอยากได้รถยนต์หิวจึงอยากได้อาหารป่วยจึงอยากได้ยาความอยากตามที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นความอยากที่เกิดจากความต้องการความอยากประเภทที่สองคือปรารบความมั่งมีของคนอื่นแล้วจึงอยากพูดง่ายๆคือเห็นทรัพย์ของคนอื่นตัวเองก็เลยอยากมีอย่างเขา ปากกาเขียนหนังสือเราก็มีแล้วแต่พอเห็นของเพื่อนเขาปลอกทองและอยากได้อยากได้นั่นแหละอันที่เห็นนั่นนี่อยากเกิดจากปรารบรัพบของคนอื่นอยากอย่างนี้เอาทรับคนอื่นเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาความต้องการของตัวเองเป็นเกณฑ์ข้าพเจ้าคิดว่า เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้เกือบจะไม่ทาความกระจ่างให้แก่ผู้อ่านเลยข้าพเจ้าเองก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็จนใจไม่รู้จะช่วยท่านได้อย่างไรบอกแล้วว่ากิเลส ต, ตัวนี้มันยาวต้องตัดออกดูกันทีละท่อนละท่อนเลยยุ่งไปหมดเอาละ่ะจะลองต่อกันให้ดูอีกทีบางทีจะหายุ่งอภิชาความเพ่งเล็ง วิสมะโลภะความอยากได้ทางทุจริตโดยไม่เลือกคนไม่เลือกของไม่เลือกวิธีอภิชาวิสมะโลภะความอยากได้ในทางทุจริตโดยไม่เลือกทางซึ่งเกิดจากความเพ่งเล็งเอาละ่ะจบกันทีท่านผู้อ่านรู้สึกว่าอย่างไรอ่านคำอธิบายอภิชาวิสมะโลภะแล้ว มันกระจ่างแจ้งขึ้นหรือยิ่งมืดมัวหนักลงไปข้าพเจ้านึกเอาเองว่ายิ่งอ่านยิ่งสับสนแต่ก็มั่นใจว่าถ้าท่านปล่อยให้ความสับสนใจในขณะนี้สงบลงเสียทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาหยิบเรื่องนี้ขึ้นอ่านใหม่สักครั้งสองครั้งท่านจะเห็นข้อความที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอธิบายธรรมะแบบนี้ เมือนกันเอาสารส้มแกว่งในตุ่มจะให้น้ํามันใสแต่พอแกว่งทั่วแล้วดูรู้สึกว่าน้ําในตุ่มควรยิ่งกว่าก่อนต้องปล่อยให้น้ํานิ่งสักพักใหญ่ๆแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ท่านจะเห็นน้ําใสแจ๋วเลยใส ย, ยิ่งกว่าก่อนเป็นไหนไหๆเพราะฉะนั้นขอท่านอย่าได้ออกใจที่อ่านคําบรรยายวันนี้แล้วยุ่งสมอง หยุดอ่านแค่นี้เสียทีก่อนก็ได้ตอนโทษคนเรานี่ถ้าท้องมันเสียเต็มที่แล้วที่จะปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ยากเต็มทีถึงมันจะเน่าอยู่ในท้องแต่ใบหน้าท่าทางของเขาบอกว่าไม่สบายที่ร้ายกว่านั้นคือลมเน่าในท้องมันพยายามจะระเบิดออกมารบกวนคนอื่นตลอดเวลาเผลอไม่ได้ ระวังประตูล่างมันก็ทะลักออกประตูบนถึงจะไม่เผลอเลยเวลาตื่นแต่พอหลับแล้วก็ส่งกลิ่นออกมาจนได้ความโลภชนิดชื่อยาวๆนี่ก็เหมือนกันมันเกิดอยู่ที่ใจมันเกาะ อ, อยู่ที่ใจและมันเน่าอยู่ที่ใจแต่ว่ามันคอยซึมออกมาข้างนอกเผลอไม่ได้เวลาเราพูดกับใครมันก็ซึมออกมากับลมปาก ให้มีอันพูดทิ้งเลส่สนหรือไม่ก็ตวัดหางเสียงจะเอาให้ได้เวลาเขียนหนังสือกิเลสมันก็ซึมออกมากับเส้นหมึกหรือเส้นดินสอให้มีอันแฝงข้อความไว้บอกให้คนอ่านรู้ว่าคนเขียนเป็นคนรู้มากอย่างแรงบางทีก็ซึมออกทางสายตาให้มีอันเพ่งมองวหว้วนชั้นที่สุด แม้แต่เราจะยกมือไหว้ใครกิเลสมันก็แทรกซึมออกมาได้ไหว้ก็ไม่ใช่ไหว้เคารพแต่ไหว้จะเอาเท่านั้นเองจะยิ้มจะหัวเราะมันก็ออกมาได้ทั้งนั้นแล้วพวกที่มันซึมออกมานี่แหละมันมาทําลายเกียรติยศเกียรติสัก์ทําลายชื่อเสียงทําลายความมีสง่าราศีของเราเองแล้วลดสเสน่์ของเราลงไปเพราะฉะนั้น พระจึงตรัสว่าอภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสเครื่องเน่าในอันดับหนึ่งจะจัดอภิชาวิสมะโลภะทีนี้หันมาพูดงานของเราที่พูดมาแล้วนั้นเป็นการลาดตระเวนดูค่าศึกแล้วทีนี้เราจะโจมตีละ่ะจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติ เรารู้อยู่แล้วว่ากิเลสตัวนี้ชื่อมันยาวก็จริงแต่มันมีจุดสำคัญเรียกว่าจุดเป็นจุดตายของมันคือโลภะแก้โลภะตกเสียแล้วพวกยาวๆนั้นร่วงไปตามหมดเหมือนเราจะฆางูเรารู้ว่าถึงตัวมันจะยาวเท่าไหร่เท่าไรจุดสาคัญ ม, มันมีอยู่จุดเดียวคือหัวมันทุบหัวมันแตกเสียแล้วมันตายเรียบหมดทั้งตัว อภิชาวิสมโลภะก็เหมือนกันหวดโลภะให้ราบเรียบเสียได้อย่างเดียวก็เสร็จเรื่องวิธีกำจัดโลภานั้นโดยหลักปฏิบัติทั่วไปแล้วต้องทำควบกันสองวิธีคือ 1. ให้คือจิตที่ถูกอภิชาวิสมโลภะครอบงำนั้นเป็นจิตเห็นแก่ได้กอบโกยเข้าหาตัวเมื่อเราหันไปทำในทางตรงกันข้าม คือเอาของของเราให้เขาไปย่อมทำให้จิตเกิดการไหวตัวโน้มเอียงไปทางตรงข้ามฮัตทําใหม่ๆจะรู้สึกว่าไม่สบายเพราะต้องฝึกใจมากแต่ทําันนานเข้าให้จิตสัมผัสกับการให้บ่อยๆเข้าจนฝ่ายกิเลสคลายตัวหลงมากแล้วกลับจะรู้สึกสบายมากกว่าเมื่อตกเป็นท่าของความโลภเสียด้วย วิธีเอาจิตไปสัมผัสกับการกระทำที่ตรงกันข้ามกับกิเลสคือทาการให้อย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าทานซึ่งก็แปลว่าการให้ตรงตัวเป็นวิธีที่ประกอบกับวัตถุภายนอกคือของที่ให้และเกี่ยวกับคนอื่นคือผู้รับของอยากจะขอย้ำไว้ด้วยว่าที่ว่าทานชนะความโลภนั้น ไม่ใช่เราให้ทานแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยขับไล่ความโลภออกไปจากใจเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่การให้นั้นเป็นการเอาจิตของเราไปสัมผัสกับธรรมะซึ่งตรงกันข้ามกับกิเลสในตัวเราแล้วจิตจะเกิดการลอยตัวในขณนะเดียวกันกิเลสที่เกาะอยู่เดิมก็ค่อยๆรวนแล้วหลุดไปคล้ายๆกับเราเอาค้อนอเคาะเหล็กที่เป็นสนิม ทำให้สนิมลอยตัวและหลุดร่วงไปเสียอย่างนั่นเอง 2. ฝึกจิตเป็นวิธีที่ไม่เกี่ยวกับของและคนภายนอกวิธีปฏิบัติคือฝึกจิตของเราให้คิดคำนึงในทางตรงกันข้ามกับกิเลสที่กรองใจเราอยู่นั้นอย่างเช่นเรามีความอยากได้มากก็นึกสอนใจตัวเองให้เห็นโทษของความโลภ และให้เห็นคุณของความไม่โลภโดยเราเลือกหาหัวข้อธรรมะต่างๆที่จะเหนี่ยวใจของเราออกจากความโลภได้เอามาคิดการคิดข้อธรรมนั้นเป็นวิธีดึงใจออกจากอารมณ์ฝ่ายต่ำคล้ายๆกับเราจะปีนขึ้นจากลมแล้วเราคว้าต้นไม้หรือเถาวันบนปากบ่อไว้แล้วเนียวตัวขึ้นไปหา ทำให้ตัวเราเองหลุดลอยขึ้นจากหล่มได้การคิดกำนึงธรรมะก็จะช่วยใจเราได้โดยทำนองนี้เหมือนกันธรรมะที่เป็นหลักในการเหนี่ยวใจออกจากโลภะเช่นสันโดษคือความพอใจในทรัพย์ของตนและมัตตัญญุตาคือความรู้จักประมาณเป็นต้น